สัพพมูลกะนในสองรยสี่สิกษุจงใจพยายามน้ำอสิจิสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหมือนเปลี่ยนสีเหมือนน้ำท่าสีเหมือนน้ำมันสีเหมือนนมสดสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศษสัพพะมูลกะนในจบ